ปุชชาวิัชนาธรรมกับท่านหลวงตาเนรศักดิ์ผีนาเรณรงคนต่อสมัชชาและนิพพานนาตอนที่หนึ่งไ้ด็อกเตยเข้าถึงใจเลยอ่ะจะได้เป็นประโยชน์ต่อต่อโลกต่อต่อชาติต่อศาสนาต่อบุคนลื่ประโยชน์แต่ตัวและผูอ้อื่นอันไหนที่ยังไม่ไม่เคลียร์มันไม่มันมาติดติกััดทีนีได้หน่อยอยังยัง งงสับสนที่มันมันยังไม่ไง่ายง่ายไงนะมันยังไม่รวบยอดเข้ามาจะเป็นความรู้กระจ่างที่ใจอะไรเนี่ยไอไอวันนี้ยซักให้แตกไม่แตกอย่ากลับนะวันเนี้ยครับ ท, ทั้งเหตุทั้งเหตุต้องผลนะไล่เลยไล่ไล่ไล่เราให้จนอ่ะครับเพราะว่าอันที่ อ, ทอยากจะเรียนเยนถามหลวงตาเนี่ยก็คือตามหลักการก่อนนะที่ปฏิบัติก็คือที่เราบอกว่า ต้องมีสมถะและวิปัสนาอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามจะเรียนรู้นะฮ ะ, ะ, ฮะจากการปฏิบัติทีนี้ในในในคำอธิบายก็เขียนไว้ชัดเจนว่าโทษเราก็ต้องนั่งทำสมาธิอย่างเงี้ยนะฮะสมถะแล้วก็อย่างที่ว่าถึงมนะมีฌานหนึ่งองสามสี่อย่างเงี้ยนะฮะ้วพอจากฌานสี่ก็มาวิปัสนา ทีนี้ก็ก็พยายามลองเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติ่นะฮะเ ล, เลยอยากถามหลวงตาห น, นิดยนึงฮะว่าอย่างสมมติที่ทในตำรับตําราในปริยัติเนี่ยเขียนอธิบายไว้ว่าอย่างชานหนึ่งเนี่ยมีวิตกวิจารณ์ปิติสุขอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พอชานสองวิตกวิจารณออกใช่ไหมหรือปิติสุสามก็ปิติออกหรือสุขอ สี่สุกออกหรือเอกคตาและวใจสงบว่างทีนี้ก็เลยเรียนถาม น, นี้คว่าจิตเนี่ยที่เรามีการสวยอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะตอนอยู่ฌานหนึ่งเนี่ยถามว่าไออารมที่เสวยคืออะไรใช่วิตกวิจารปิติสุขหรือเปล่านะเพราะขณะที่อยู่ในฌานหนึ่งเนี่ยฮะในในหลักการทำงานของจิตเนี่ยจิตก็จะต้องมีสวยอารมณ์ นะตลอดเวลาทุกขณะจิตอยู่แล้วอะ่ะตกลงไออารมณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยที่จิตสเสวยเนี่ยคือคืออะไรใช่อารมณ์ของวิตกวิจารปิติสุขหรือเปล่าอันนี้คือคําถามที่หนึ่อ่ะนะฮะเอาแรกก่อนไหมเลือกทีละทีละอันอันทีลอันอไปก่ออึดตาเออเอันแรกระหว่างที่เราเนี่ยรู้อารมณ์อะไรเราก็สเสวยอารมณ์นั้นด้วยแหละแหละในการรู้ก็เสวยไปด้วยถ้าเป็นเป็นระดับสมาธิระดับ ในขั้นของสมาธิในขั้นของสมาท า, า, านรมาานเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นขั้นปล่อยวางคือมันบรรู้แล้วมันก็ตเวนอารมณ์นั้นด้วยคือมันจับการตเวนกคือการที่จิตจะต้องจับจับสิ่งที่เรามาใช้ลอ่อจิตไว้การที่เราเอาเราเครื่องล่อจิตเนี่ยที่เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่สิบกรรมฐานเนี่ยเอามาเป็นเครื่องล่อจิตเนี่ยเช่นพุโทโธพุโทโธนะสมมุติอะนะเรามาใช้เป็นล่อเครื่องล่อจิตไว้ ระหว่างที่จิตบริกรรมอยู่นั้นเนี่ยจิตก็จะรู้ว่าเนี่ยเรายังบริกรรมอยู่ไหมถ้าเรายังสติไม่ขาดมันก็จะหลงไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมแล้วก็จะหลงหลงไปคิดเรื่องอื่นเราก็กลับมากลับมากลับมาบริกรรมอยู่ระหว่างที่เราเนี่ยบริกรรมอยู่เนี่ยแล้วเราเอากลับมาแล้วก็เราก็บริกรรมบริกรรมอยู่ในความรู้สึกตัวเนี่ยเขาเรียกวิตก เขาเรียกวิตกวิจารณ์เนี่ยก็คือระหว่างที่เราวิตกเนี่ยเราพยายามให้ให้จิตเราเนี่ยมันเคล้าคลอกเคลียรหรือให้สิ่งที่เราใช้ล่อจิตเนี่ยให้มันอยู่กับจิตเราให้เป็นหนึ่ง เ, ขขเคล้าคลอเกลียวกันคือให้มันมันเป็นมันแนบเนียนกันจะเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มันยังไม่ไม่แนบเนียนเป็นหนึ่งเดียวกันอในขณะที่เราเนี่ยวิตกวิจารณคือวิตกวิจารณก็คือว่าเอาเครื่องลอ่อมาแล้วก็ ให้ใจเราเนี่ย etzt, รู้รู้อย่ากับเครื่องล่อจิตคือบริกรรมบริกรรมด้วยแล้วใจแล้วก็รู้อยู่กับเครื่องล่อจิตเนี่ยแต่รู้กับเครื่องล่อเนี่ยมันยังไม่คล้ายๆครับว่าวเหมือนกัแป้งเค้กอะเอาเอาแป้งกับไข่เอาเนยมาเนี่ยแล้วมันตียังไม่เข้ากันแต่ระหว่างตียังไม่เข้ากันเนี่ยมันก็รับรู้ไปด้วยในระหว่างนั้นอะคือผู้รู้เนี่ยผู้รู้กับกับสิ่งที่ใช้ล่อจิตเนี่ยมันตียังไม่เข้ากันไอ้ระหว่างที่เรา จับไว้ให้มันอยู่เนี่ยแต่มันไม่อยู่มันก็ไปคิดเรื่องอื่นอีกเดี๋ยวก็เราจะผุดโถมก็ไปคิดเรื่องอื่นอีกหรือเราจะน้อมพินาสุภะกรรมฐานมรณานุสติแป๊บเดียวมันก็ไปคิดเรื่องอื่นอีกเนี่ยเราก็เอากลับมาเอาสติกลับมาสติมันขาดนะสติมันขาดจิ้นก็เล่นไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็เอาสติกลับมาแล้วให้มันมาพออีกการที่เราจับจับหรือยกยกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องรอจิตขึ้นมาเขาเรียกว่าวิตกวิจารณเนี่ยก็คือเราก็ให้ใจเราเนี่ย มันอยู่กับไอ้เครื่องล่อเนี่ยให้มันค่อยๆค่อยๆเนียนเหมือนนวดแป้งให้ค่อยๆเนียนก็ไปเนียนก็ไปเนียนก็ไปให้มันเนี่ยค่อยๆเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนแป้งเค้กใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันหลักมันตีมันก็ไม่ฟูค่อยๆนวดก็ไปนวดก็ไปนวดก็ไปให้จิตเนี่ยกับไอ้เครื่องล่อเนี่ยมันค่อยๆเขาคอเคลียกันไปกับเครื่องล่อเนี่ยเจี๋ยวก็ช่างไอ้ผู้รู้เนี่ยก็คือสติควบคุมจิตไว้ไอ้สติเนี่ยก็กลมกลมจิตไว้ให้มันเนี่ยเขาคอเคลียอยู่กับเครื่องล่ออย่าหลงไปคิดเรื่อง ใหม่มันก็ยังทําไม่ได้แต่เพียรฝึกเข้าคล้ายๆกับนวดแป้งเค้กเนี่ยที่เอาแป้งเอาเนยเอาน้ําตาลเอาไข่มาเนี่ยแล้วก็มันก็ยังไม่เข้าขอเขี่ยกันจะทั่งแป้งเนี่ยมันเนียนตีจนเนียนมากเลยคือจนเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันจนไม่รู้ว่าแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นแป้ง <yse. S 1> เป็นน้ําตาลเป็นไข่เป็นเนยอันนี้เมันการคือมันแยกไม่ออกเลยว่าระหว่างอะไรระหว่างกิจกับสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องล่อเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจนไม่รู้สึกว่า มันแยกออกจากกันมันเป็นเนื้อเดียวกันคือมันไม่หลงไปคิดอะไรอีกแล้วเพราะจิตมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เรายกเอาเครื่องล่อมาไว้ในใจแล้วมันก็หลุดไปแล้วกลับมาระหว่างที่เราเพียรที่จะให้จิตเราเนี่ยเขาคอบเคียอยู่กับเครื่องล่อไม่ห่างเลยไม่ให้มันหลุดไปคือตีให้มันเนียนด้วยกันให้ให้จิตกับไอ้เครื่องล่อเนี่ยให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเอาสติควบคุมอยู่อันเนี้ยเขาเรียกวิจารณวิจารณคือ จิตเนี่ยให้มันเขาขอ้อเคลียร์อยู่กับเครื่องล่อไม่ให้ต่อนเนื่องเขาเรียกวิจารณ์ไอการยกเอาเครื่องล่ออย่างใดอย่างหนึ่งมาไว้ในใจไม่หลุดไปเขาเรียกวิตกแล้วก็วิจารณก็คือให้ใจเนี่ยตีให้สติเนี่ยมันบริกรรมอยู่รู้สึกตัวด้วยความบริกรรมบริกรรมด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยแล้วก็ให้จิตเนี่ยกับเครื่องล่อให้มันรวมเป็นหนึ่งระหว่างที่จิตมันเขาขอ้อเคียอยู่เครื่องล่ อ, ขอเขาเรียกวิจารณระหว่างเนี่ยมันก็จะ สวยไปด้วยแหละระหว่างที่มันอยู่มากไม่อยู่มากอยู่มากไม่อยู่้างเนี่ยระหว่างที่มันอยู่มากขึ้นใจเราก็จะเป็นสุขมากขึ้นอยู่มากขึ้นใจเราก็จะเป็นสุขมากขึ้นเพราะว่ามันไม่หลุดไปฟุ้งซ่านไงนั่นแหมก็เสวยอารมณ์ตรงนี้ไปด้วยเนี่ยเดียวกระทั้งเนี่ยจิตกับเครื่องล่อเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งบรรลมเป็นหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยพอมันมันรวมเป็นหนึ่งแล้วเนี่ย เราไม่ต้องบังคับแล้วคือมันไม่มันอยู่กันได้เองโดยไม่ต้องบังคับคือสติจิตแล้วก็เครื่องร่อมันรวมกันเป็นหนึ่งไม่ต้องใช้การควบคุมอีกต่อไปมันแป้งมันเนียนแล้วแป้งมันเนียนเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแป้งเค้กอะทุกอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าวิตกดัพิจารดับไปใจมันก็รู้ว่าไอเนี้ยมันรวมเป็นหนึ่งมันรวมเป็นหนึ่งเราเป็นเองเป็นคนเคี่ยวแป้งนั้นเนี่ยเราก็เสวยเราก็เสวยจิตที่มันรวมเป็นหนึ่งเองคือเราก็เสวย ไอ้ผลจากการที่จิตมันรวมเป็นหนึ่งพอจิตมันรวมเป็นหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยวิตรงวิจารณ์เนี่ยที่จะต้องมายกยกเครื่อง cam, ang, BN, ล่อมาเนี่ยให้จิตมันยกเครื่องล่อหรือเอาเครื่องล่อไว้ในจิตแล้วก็ให้ใจให้จิตมันไปเค้าคอขีอยู่เครื่องล่อแล้วเอาสติควบคุมไว้มันก็หมดหน้าที่ไปเพราะมันรวมเป็นหนึ่งพอมันรวมเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสําเร็จในขั้นฌานที่หนึ่งหรือสมาธิระดับที่หนึ่งเรียกว่าปฐมฌานเสร็จแล้วเนี่ยพอผลเนี่ยมันเป็นผลนะ เพราะเหตุคือจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องล่อคือตีแป้งเนี่ยจนมันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอ่ะเอไข่เนยน้ําตาลแป้งเมื่อตีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนียนแล้วเนี่ยพอเนียนได้ผลอันเนี้ยเพราะเหตุที่วิตกวิจารดับไปจิตรวมเป็นหนึ่งจึงเกิดปีติเนี่ยที่ท่านบอกอ่ะจึงเกิดปีติปีติมันก็มีอยู่ห้าประเภทรวมรวม คือเท่าที่เราเห็นนะนก็มีส่วนใหญ่ก็คือขนลุกสุสานสาบซานไปช่วตัวสุสาสุสานสาบซานบางทีก็น้ําตาเออคอไปด้วยบางทีกายมันเบามันสะเทือนเหมือนลอยได้เหาะได้ฟังท่านก็ร้องร่นเลยผมลอยได้ผมลอยได้พยายามจับยึดเก้เาอี้ไว้แน่นเลยผมลอยได้ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมลอยได้ผมลอยได้ก็ตะโกนลัน่นเนี่ยเป็นลักษณะของปีติเนี่ยลักษณะของปีติเพศต่างๆเดี๋ย t h i พอพิโตกดวิจารณดับไปจึงเกิดปิติพราเกิดปิติเนี่ยก็เราเป็นผู้เราเป็นผู้ปรุงแต่งเองตั้งแต่วิโตวิจารณเราก็เป็นผู้ปรุงแต่งปิติเราก็เกิดมันผลเกิดมาจากเราปรุงแต่งโจกระทั่งจิตมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องล่อมันก็เลยเกิดปิติไอ้ผู้เราเป็นผู้ปรุงแต่งเองเราก็เสวยปิติเองเราก็เสวยปิติไปเรื่อยปิติมันก็ตั้งแต่อ่อนปานกลางแล้วก็มันมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นผู้เสวยปิติพอ อไสติมันไม่ขาดมันไม่ขาดจิตมันก็เลยเขา้าคอเคียอยู่กับปิติแต่นี้มันไม่ไปเขา้าคอเคียเครื่อง่อกแล้เครื่องรอมันดับไปแล้วมันก็เหลือแต่ปิติไอ้จิตมันก็มาเขา้าคอเคียอยู่กับปิติปิติปีติอ่อนมันก็เข้าไปเคียปีติอ่อนพอปีติกลางๆก็เข้าคอเคียปีติกลางๆพอปิติมันมากขึ้นสุ่สา ส, รรบสรรราบซ่านกายเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนนี้เลยไอ สติมันก็ควบคุมจิตไว้ไม่ให้จิตเนี่ยมันไปหลุดไปที่อื่นมันก็จะอยู่กับไอ้ไอปีติเนี่ยแต่ตอนเนี้ยสติเนี่ยมันไม่ค่อยควบคุมไม่ต้องใช้กําลังควบคุมอะไรเพราะว่าจิตมันชอบมันจะตื่นเต้นแล้วมันไม่ต้องมันไม่ต้องควบคุมแล้วตอนนี้ยคือเหมือนกับว่าเด็กเจอของเล่นที่มันถูกใจแล้วเนี่ยไอพ่อแม่ก็ปล่อยไปเลยแล้วพ่อแม่ก็ไปเดินเที่ยวอะไรได้เพราะเด็กมันเจอของเล่นที่ถูกใจแล้วมันก็เลยง่วนอยู่กับของเล่นนั้นนหละพ่อแม่กลับจาก ไปนู่นไปนี่มาแล้วเด็กมันยังอยู่กับวัตถุของเล่นนั่นแหละนี่ยคือพิธีนี่มันเป็นของเล่นของผู้ที่ฝึกชาญมันก็เลยไม่ไปไหนอ่ะแต่เนี้ยมันไม่ต้องอาศัยสติ <subject> บังคับแล้วแต่เนี้ยมันจิตมันไปไหนแล้วมันขอเจอของเล่นสู้ซาบซานสู้ซาซับซา่บซานกายเบาใจเบาหอบหืดเรื่องอากาศได้มันไม่ไปไหนแล้วมันเล่นอยู่นั่นแหละเนี่ยเขาเรียกวของเล่นของเล่นช <st Native> <t un> านเป็นเครื่องเป็นเครื่องเครื่องอยู่เครื่องเล่นของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอี่ตอนนี้ระหว่างที่ จิตกับไอ้ปิติเนี่ยมันเล่นกันอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาคอเคอยู่นั่นแหละอ่สติมันก็รู้อยู่ตอนนี้มันก็เสพเสพหรือว่าสเสวยหรือว่าได้รับผลผลของที่ที่ตัวเองเน่ะเป็นคนปรุงแต่งเองปรุงแต่งให้จิตเป็นหนึ่งเดียวเครื่องล่อจนวิถต ว, วิจารณ์ดับไปเกิดปิติแล้วมันปิติมันก็เกิดเป็นผลมาจากการปรุงแตง่งและปิติมันก็เป็นไอเป็นอารมณ์ปรุงแตง่งเหมือนกันเพราะว่ามันมาจากเกิดมาจากความปรุงแต่ง มันก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งปเ ป, ป็นสุกเวทนาพอปิติมันเต็มที่แล้วเนี่ยมันขึ้น ส, สูงสุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปยังไงแล้ะเพราะกฎอันนี้จังทุกขางอนตาตาเหมือนกับเราขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนี่ยังไงก็ตามแม้แต่ยอดเขาหิมาลายยอดเขาเอเวอเรสต์สูงที่สุดของยอดเขาแล้วมันจะไปยังไงอนะ่ะเออหรือว่าเขายิงไงจะหลุดขึ้นไปสู่อาวากาศแล้วสูงที่สุดแล้วเป็น ไ, ไงจะหลุดมันก็ไม่เออมันก็กลับลงมาเ อ, อ๋อ แล้วมันไปยังไงอ่ะแล้วก็ไอ้ไอ้บางไฟอ่ะที่เขายิงกันไปปุ๊บสูงมากเลยแล้วก็พอสูงสุดมันก็ตกลงมาอีกอ่ะนั่นแหละก็คือพอขึ้นไปสู่ปิติสูงสุดแล้วเนี่ยมันปิติมันก็หายวับไปกลายมาเป็นสุขเพราะปิติดับไปจะเกิดสุขเนี่ยเพราะปิติดับไปจะเกิดสุขโอมันไอ้แทนที่มันสู้ซาสาซาสู้ซาสาซาไม่แนเนี่มันเหลือแต่สุขใจอิ่เอิบใจอยู่ภายใน มันตีตื้นออกมามันโอ้โหมันตีตื้นออกมาข้างในแบบว่าชีวิตเนี่ยไม่เคยเจอความสุขอย่างนี้อีกเลยในชีวิตเป็นความสุขที่ไม่เคยเจอไม่เคยพบเป็นความสุขที่ไม่ไม่ต้องอาศัยเครื่องร่อนใดๆภายนอกมันอาศัยอารมณ์อยู่ภายในคือใจเป็นสุขแล้วมันเกิดเป็นสุขมากาตัวเองปรุงแต่งเองตัวเองก็เลยกินนันนั่นเองรอเรียกว่าเสวยหรือเสพอารมณ์นั่นเองคือเป็นสุขตลอดเวลาสุขมันก็เหมือนกันเนี่ย สุกน้อยสุกปานกลางแล้วก็สุขมากขึ้นมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกสุกมากล้นล้นล้นล้นจนกระทั่งสุกมันล้นเนี่ยล้นแล้วไปไหนอ่ะล้นเอ้ามันได้มีทีไปแล้วขึ้นยอดเขาสูงสุดแล้วมันก็ต้องอนิจจังสุขขังอนัตตาดับวืบลงปิฎีดับวืบลงเพราะสุกอ้สุขอ่ะสุขดับวืบลงเพราะสุขดับไปจะเกิดอุเบกขา อุเบกขาหรือเอกาคตาจิตหรือจิตเกิดเอกาคตาจิตคือไม่สุขไม่ทุกข์มันสว่างเจิดจ้าอยู่ภายในไม่มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์สว่างเจิดจ้าจางดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยสบายอย่างเงี้ยหรือประจันท์วันเพ็ญสิบห้าคาไม่รับรู้ถึงภายนอกคือจิตไม่ไปนสนใจสิ่งใดภายนอกแล้วเหลือแต่จิต ของตัวเองภายในที่สว่างเจิดจ้าอยู่ภายในอย่างนั้นเนี่ยพราะมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยพออยู่อยนั้นะจนถึงขั้นที่สุดของมันเนี่ยสงบจนถึงที่สุดอย่างนั้นเนี่ยสงบสว่างเจิดจ้าอยู่นะั้นจนถึงที่สุดของมันแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปยังไงอีกแล้วถึงที่สุดของมัน เ, นเพราะมันตกอยู่ ใ, ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันมาจะความปรุงแต่งทั้งหมดไอ้เจ้าตัวเป็นคนปรุงมาเองอ่ะจนถึงขั้นที่สงบจนถึงเอกคตาจิตมันก็เลย สงบจนถึงที่สุดของมันมันได้ไปยังไงแล้วเนี่ยคือสุดที่สุดของสมถะมันก็ไม่ไปยังไงแล้วที่สุดนั้นความสงบนั้นที่เกิดเอกคตาจิตนั้นเนี่ยก็หายไปค่อยๆหายไปหายไปแล้วกลับกลับคืนสู่ความเป็นปกติเหมือนกับชีวิตกวามป็นอยู่อย่างปกตินี่แหละเนี่ยนั่นคืออารมณ์สมาธิแต่ถ้าใครจะทําต่อ ใครจะทําต่อมันก็จะจะจ ะ, จะเลยไปถึงดุ้นเน่ะมันมันก็จะเลยไปถึงขั้นละเอียดเข้าไปอีกฝึกฝนจนกระทั่งปิติละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสุขละเอียดเข้าไปเอกคตาจิตหรืออุบเบกขาอุเบกขาในฌานนะนี่ไม่ใช่อุบเบกขาเป็นว่าสนาญาณนะอุเบกขามันมันมีอุบเบกขาที่เป็นสมถะอ่าสมถะที่มันใจมันมีความสงบจากสุขทุกข์ทีนี้พอมละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนถึงกับว่า มันเหมือนกับเป็นอากาศสาทธไปหมดเลยก็จะขึ้นสู่อรูปฌานคือเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเพราะอากาศสารัญจัญญาณจายณะเหมือนกับว่าโอ้โหมันมันเป็นอากาศสัทธาไปหมดแต่รู้สึกว่าในอากาศทธามันยังมีความรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ในอากาศสาทธาแล้วมันก็ไอตัวเราเนี่ยมันก็ค่อยค่อยระเบิดตัวเราทิ้งออกไปเหลือแต่จิตอยู่ในอากาศสัทธามันก็เข้าสู่ วิญญาณนันจายตนะจิตหรือวิญญาณ น, นี่ไงวิญญาณนันจายตนะเหลือแต่จิตกับความว่างตอนนี้ในความว่างก็ยังมีจิตจิตที่มันมีความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์จิตปรุงแต่งอยู่มันก็รู้เพ่งรู้จิตที่คิดตัอมุงแตง่งเนี่ยจนละเอียดที่สุดจนกระทั่งไอ้จิตด้วยอํานาจที่จิตที่มันถูกเพ่งจนรู้จนกระทั่งเพ่งจนกระทั่งรู้รู้จิตละเอียดทุกทุกคิดเลยอํานาจของสมาธิระดับของ ของไอ้ถึงขั้นอุเบกขาชันเลยมาแล้จนถึงอากาสาราญจายะนะอรุปรชาญที่หนึ่งปิญญาลันจายะตนะออรุปราญที่สองด้วยอํานาจของสมาธิระดับนี้มันสูงสุดแล้วมันก็สมาธิในการเพ่งเนี่ยมันเลยรู้จิตเอาตัวเราเนี่ยไปเพ่งเพ่งคือรู้จิตทุกคิดความคิดมันเลยละเอียดปานใดถูกเพ่งจนกระทั่งความคิดเหล่านั้นนี่ยมันหายไปเหลือแต่ความว่าง มันก็เลยเป็นอากินเป็นอากินจัญญาณะความว่างพอเป็นความว่างเสร็จแล้วมันก็ถึงตรงนี้เขาก็อ อ, อธิษฐานอธิษฐามจิตอธิษฐานจิตพอตอนนี้มันเลยตรงนี้มันไม่ไปไหนไหได้แล้วมันเป็นว่างว่างไปแล้วแต่มันว่างคือเราเนี่ยเป็นผู้ทําคือเราเพลงจนความคิดทั้งหลายมันหายไปเป็นความว่างตรงเนี้ย ที่เราอยากจะพูดก็คือว่าผู้ปฏิบัติธรรมจานวนมากหลายคนรวมทั้งที่ผู้ที่เคยมาปฏิบัติกับเราไปยึดเอาตรงเนี้เป็นนิพพานเป็นความว่างเป็นนิพพานแล้วไม่ไปไหนอยู่อยู่ตรงเนี้ยแต่สิ่งตรงเนี้เราจะเห็นว่ามันปรุงแต่งมาตลอดจนกระทั่งความว่างนี้ก็เกิดจากเอาตัวเราเนี่ยไปเพ่งเพ่งด้วยอํานาจของสมาธิด้วยอำนาจของกําลังจิตมันเพ่งจนความคิดทั้งหมดนมันดับไปเหลือแต่ความว่าง แต่ความจร mm ิงเน่ยในความว่างเนี่ยมีตัวเราเป็นผู้เสพตัวเราเป็นผู้เป็นผู้เสวยตัวเราเป็นผู้ที่ที่บอกว่าจิตรู้อะไรก็จะไปไปเขาเรียกอะไรนะไปเสวยอารมณ์อยู่นั่นแหละเสวยนั้นแหละคือมันสังเกตดีเนี่ยมีเราเสวยในความว่างนั้นนหละไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนตัวเราก็เป็นคนเสวยอยู่เพราะว่าตัวเราเป็นผู้ปรุงเองไงเราก็ปรุงเอาตัวเราเนี่ยมาเพ่งเพ่งเริ่มนาสมาธิจึงเพ่งจิตอันดับไปหมดผิดจิตที่เป็นความคิดอันดับไปหมดเหลือแต่ความว่าง แล้วความว่างเราเพ่งเองเราปรุงแต่งเองเราก็เลยเสวยอารมณ์นั่นเองแต่ไหนมันก็เลยเสวยมาทุกขั้นตอนแต่เจ้าตัวไม่รู้อันเราเนี่ยยังคงเสวออยู่มันก็เลยเป็นความว่างในฌานพอตายแล้วเนี่ยที่ท่านใช้คําพูดว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วคือมันไปเป็นมันไปอยู่ในความว่างพบของความว่างที่ถูกขังอยู่ในความว่างอชิบหายแล้วเนี่ยดนั้น ที่อันตรายมากมีคนทั้งหลายเนี่ยเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดเยอะมากเลยตรงเนี้ยนี้ถ้าเธอถือตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็ไปอธิษฐานจิตเอาถ้าจะอยู่อยู่จะอยู่ในสภาวะเนี้ยป็อธิฐานจิตให้อยู่ในเนี้ยสามวันห้าวันเจ็ดวันเอ่อมันก็จะเลยต่อไปเป็นเนวะสัญญานาะสัญญายตนะคือมีมีเนวะสัญญ า, ญานาสัญญายตนะคือมีสัญญาไมก่ก็ับมาใช้ไม่ได้มันไม่คิดมมันไม่มีความจำไม่มีความจำไม่มีความคิด ไอ้ y, ลมหายใจมันก็ดับหายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ดับหายไปแต่มันไม่ตายด้วยอำนาจแห่งแรงอธิษฐานไว้มันก็เลยไม่ตายอยู่นั่นสามวันห้าวันเจ็ดวันมันไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องกินอะไรทั้งหมดไม่กินน้ากินข้าวมันอยู่ในนั้นได้เขาว่าเข้ากันอย่างนั้นนะเนี่ยเราก็ไมเคยเข้าแล้วเราเคยเข้าไปเราก็รู้ว่าใช่ไม่ใช่เราก็ไม่ได้สนใจตรงนี้หรอกไอ้ตรงเนี้ยเราก็แค่แต่รู้ๆไว้เฉย แต่เราเข้าใจแล้วทางเดียวของมันอย่างนี้เนี่ยแต่เราพูดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าอย่าไปหลงตรงนี้เพราะว่าหลายคนมาปฏิบัติหลายสำนักเนี่ยมาหาเราแล้วก็ไปไล่ดับความคิดหมดมาอยู่ต่อหน้าเราจะฟังก็ไม่ฟังเปรุงแต่งเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้ดับไล่ดับความคิดจนความคิดหายไปหมดแล้วก็อยู่ในความว่างอย่างนี้เนี่ยเวลาจะตายแล้วสติแตกความป้้มเผลอไปหลายคนแล้วก็ปัมป้มเปลอจนตายนะเออ สติแตกเพลอจนตายเนี่ยไม่มีสติอะปัมป่มๆเผลอๆไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวิปัสนาอะไรไม่ได้ปล่อยวางมันไปเอาตัวเราไปอยู่ในขั้นของสวเสวย อ, อยู่เพราะว่าอารมณ์สมถารเป็นขั้นของสวเสวย อ, อารมณ์หมดตลอดสายแล้วสมถารเนี่ยมันจะเลยขึ้นวิปัสนาไม่ได้ครับไม่ใช่วันทําให้ละเอียดปานใดมันก็ไปสู่แค่อาุมูปมาจารแล้วมันจะเลยไปเป็นวิปัสนาที่ปล่อยวางไม่ได้อันนั้นไม่มีทางที่จะลุจากทางนี้ไปได้มันจะต้องถอนออกมากลับคืนมาสูค่ความเป็นปกติเพราะว่า ชาทุกชาลูกประชานสี่อาลูกประชานสี่ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องกลับคืนสู่ความเป็นปกติดังเดิมแล้วกลับมามีความทุกข์เหมือนเดิมกลับมามีความทุกข์เหมือนเดิมนี่างานที่ว่าพระพุทธเจ้าของเราไปเรียนกับอาราณบทได้ได้ชาที่เจ็ดแล้วไปต่อสุกดาบทได้ชาที่แปดแต่มันอยู่ในนั้นนะมันไม่มีความทุกข์เลยเพราะว่ามันว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับอวกาศไปเลย แต่มันไม่เที่ยงถ้าเราสังเกตดูดีพวกที่ไปคอยชอบจับความว่างเนี่ยเราพูดยังไงก็ว่างว่างว่างมานานหลายปีแล้วบางคนทุกวันนี้ก็หนีไปสอนละทิว่างมีลูกติดลูกหามาพูดกับเราอีกไปสอนจนกระทั่งไปสอนลูกติดจนลูกติดก็ว่างตามกันไปแต่มันเป็นว่างในชานแบบนี้แน่คือมันไปปูงแต่งดับเอาเพลงเข้าไปจนกระทั่งไอความคิดทั้งหมดดับไปแต่บางคนไม่ได้เดินเป็นองค์ชานมาที่เราเห็นนี่ยเนี่ยอันนี้ผิดไร้กาศหนักกว่านั่นอีก เรสังเกตพวกเนี้มีปมด้อยมีปมด้อยมาฟังทมสู้เขาไม่ได้สทัทีฟังทำอะไรก็ไม่เข้าใจคนอื่นเขาเข้าใจเขาสักเอาสักเอาสักเอ า, เอาตัวเองก็มันเหมือนกับเป็นปมด้อยในจิตอยู่ๆก็ไปฝึกทําความรู้สึกพลิกปุ๊บกลับไปอยู่ในโลกของความว่างที่ไม่รับรู้อะไรเออไปพลิกความรู้สึกอะ่ะเข้าไปอยู่ไม่รับรู้ อะไรแล้วทั้งหมดไม่ยอมรับรู้เรื่องของอะไรตามความเป็นจริงแล้วเข้าไปอยู่ในโลกของควา ม, มาว่างๆโดยยิ้มไปยิ้มมาแล้ววันลุกขึ้นกลับมาก็มาบอกว่าว่างแล้วเหนือกว่าขุนทุกคนในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราเห็นเนี่ยอันนี้เลยแย่เลยอันนี้แย่กว่าการที่พวกที่เข้าชานเรียงตามลำดับมาตั้งแต่รูปปัจจัน์มาถึงรูปปัจจันทจนถึงจนถึงอากิจนจัญญาญาณเข้าไปถึงความว่างอันนั้นเขาเรียงลาดับชาญมามันจริงไม่หลงอ่ะตายแล้วถ้าเขาเนี่ย ตายในฌานได้แล้วแล้วก็สามารถเข้าฌานทรงฌานออกฌานจนชำนาญแต่ละฌานเนี่ยเวลาตายเขาสามารถทรงไว้อยู่ในนั้นจะเป็นอากาสารัาจายัปจะเป็นอากาศสตาร์ไปจิตเขาจะปรุงแต่งไปสู่อบายไม่ได้เขาก็จะไปสู่รูปลูปพรมหรืออารูปประพรมที่เขาทรงเอาไว้ได้แต่นั้นน่ะมันก็ชิบหายได้เพราะว่าพวกนี้มันยังไม่ได้วิปัสสนาให้ถึงขั้นโสดาสกะทาคาอนาคารหานคือยังไม่ถึงขั้นปล่อยวาง พวกนี้เพียงแค่ทรงอารมณ์ไว้เฉยเวลาตายจะพบของพรมแ ล, ล้วรูปพรมเหลือรูปพรมจึงไปอบายได้อีกพวกที่จะไม่ไปอบายเนี่ยไปไปอบายคือไปเกิดเป็นสัตว์ฉาญเปรตอสุรกาย ส, รรยาสัตว์นรกรรจะไม่ไปอบายต้องบรรลุโสดาบันแล้ว อ, อลุกโสดาบานันอันนั้นคือปิดอบายแน่นอนเป็นที่แน่นอนแต่พวกอื่นน่ยยังรู้นยังไม่แน่นอนเฉะนั้นจะบรรลุโสดาบันเนี่ยก็ต้องสิ้นความยึดไปแล้วประมาณ สิ้นความยึดไปเนี่ยทราบสมมติตัวเลขก็คือหนึ่งในสี่แล้วหนึ่งในสี่หรือยี่สิ้าเปอร์เซ็นสิ้นยึดมันก็สิ้นกิเลสแล้วสิ้นความทุกข์ไปแล้วยี่ส้าเปอร์เซ็นต์มันก็มาจากสิ้นยึดเพราะมีปัญญาเห็นว่าตัวเองยึดอะไรอยู่ให้เป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางไปได้ได้แล้วตัวเองก็บอกรู้แล้วว่าปล่อยวางไปแล้วได้ยี่ห้าปอร์เซ็นหรือหนึ่งในสี่แล้วตัวเองก็จะบอกได้เพราะว่าตัวเองเห็นว่าตัวเองยึดอะไรเป็นทุกข์แล้วตัวเองก็ใช้ปัญญาาทีีี่่่เรยนนนมแหละะะพจไอ ปัญญาที่เรียนมาคืออะไรเห็นทุกสปปรรสิ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงอานิจจังทุกขังอนัตตาตัวเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งร่างกายจิตใจผู้อื่นก็เป็นอานิจจังทุกขังอนัตตาทุกสปปรรสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าบ้านช่องไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นสม บ, บัติพานารวมแปรอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรามันไม่เที่ยงเกิดกันแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปเมื่อเห็นความจริงอย่างเนี้ยมันก็ปล่อยวางความจิดบ้านถือบ้านไป ้ตัวเองก็รู้แล้วว่าตัวเองเห็นความจริงอย่างเงี้ยาี่าเอร์เหรือว่านึ่งส่วนแล้วก็ปล่อยวางเป็นี่พาปอร์เตัวเองก็รู้ด้วยอย่างเงี้ยก็ได้โดาบันนะได้โสดาบันอันนี้ปิดอบายจริงๆปิดอบายจริงงนั้นพวกที่เข้าชานนั้งแต่ลูก ป, ประชานถึกับลูกประชานเนีมันยังไปอบายได้อ่ายัางยังไปไปอบายได้ตอนนี้ตอนเนี้ยมันต่างกันยังไงระหว่างสมถะ ในขั้นสงสมาธิสมาธิในขั้นสมถะกับสมาธิในขั้นของวิปัสสนา fiance. สมาธิในของในั้นวิปัสสนาคือมันปล่อยวางสมาธิสติปัญญาในขั้นวิปัสสนามันเอามาใช้ปล่อยวางมันรู้เพื่อความปล่อยวางแต่ขั้นสมถะคือมันรู้เพื่อจับเอาไว้ให้ได้รู้เพื่อจับเอาไว้ให้ได้ทุกขั้นตอนเขาเรียกว่าทรงอารมณ์ให้ได้ทรงสภาวะให้ได้แต่ละแต่ละชาตแต่ละชาต แต่วิปัสนาเนี่ยมันคือมีสติสมาธิปัญญาเอามาใช้เพื่อความปล่อยวางอย่างเดียวรู้อะไรก็มายึดสักอย่างหนึ่งรู้อะไรก็ปล่อยหมด mm hmm. เพียงแค่อาใส่เครื่องเลึอรู้แล้วลแต่ไม่เข้าไปจับไปยึดอะไรเลยเพราะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่เข้าไปจับไปยึดอะไรสักอย่างเพียงแค่รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่า น, านไปหมดสิน้นแล้วตัวเองก็รู้ตัวเองว่าตัวเองปล่อยวางไป ได้แล้วกี่ส่วนหนึ่งในสี่ส่วนหรือสองในสี่ส่วนหรือสาในสีส่วนหรือปล่อยวางได้หมดเลยแล้วอันมันแตกต่างกัน ร, ระหว่างสมาธิในขั้นของสมถะสมาธิในขั้นสมถะคือการการรู้เพื่อการจับจิตให้อยู่ส่วนสมาธิในขั้นของริปัสสนาก็คือว่าเป็นสมาธิสติปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาเอามาใช้เพื่อความรู้ละปล่อยวางให้ ไม่เข้าไปจับไปยึดอะไรแค่รู้แล้วปาวางไปแค่รับรู้รับทราบแค่รู้รับรูบ้ทราบไม่เข้าไปจับไปยึดอะไรเพราะว่าเห็นว่าทั้งตัวเราเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ล้วนเป็นอริจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งหมดตัวตนของเราไม่มีเพราะเห็นว่าตัวเราซึ่งเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ล้วนแต่เป็นอริจังทุกขงังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผุพังต้องสลายต้องเสื่อมสิ้นไป ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันจึงต่างกันระหว่างสมาธิขั้นสมถะกับสมาธิของขั้นิปัสตนาครับถามต่อผมเลยอันนี้เพื่อทําความเข้าใจเข้าใจยัเข้าใจครับทีนี้ขอขออพูดเพื่อสิ่งที่เราผมเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าสอดคล้องกับที่อหลวงตาพูดคือไอ้อคาบริกรรมเนี่ยที่จริงเราเอาไว้สําหรับ พัฒนาตอนเริ่มต้นเพื่อให้ไม่ให้จิตฟุง้งซ่านวิตกกับวิจารก็จะได้ค่อยๆโทษดับไปและหายไปนะอันนี้ก็ประโยชน์ของการบริกรรมทีนี้ผมผมชอบมากเลยที่หลวงตาอธิบายบอกว่าแม้กระทั่งปิติระสกรก็เป็นการปรุงแต่งหรือแม้กระทั่งเป็นอุเบขาหรือเอกขตาก็ยังเป็นการปรุงแต่งแต่เป็นการปรุงแต่งซ้าๆซ้าๆล ะ, ะเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้น จนกระทั่งในอรูปฌานก็ยังเป็นการปรุงแต่งอันละเอียดจนถึงความว่างเลยจนถึงความว่างสุดท้ายในในในในฌานสูงสุดก็ยังเป็นการปรุงแต่งใช่ไหมคเพราะฉะนั้นที่สุดของการทําสมาธิหรืออรูปฌานก็ยังเป็นการปรุงแต่งเพียงแต่ละเอียดแค่นั้นเองตอเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเลยให้เห็นนะครับว่าสมาธิในสมาธิเนี่ยจริงๆเนี่ยคือเราไปยึดติดอันละเอียด มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกับที่สมาธิในวิปัสสนาที่หลวงตาอธิบายก็คือทํางานให้ปล่อยวางเห็นว่าโทษมันเกือบจะตร ง, งกันข้ามกันนะอันนึงคือจับอารมณ์แล้วจับอารมณ์ซ้ําๆละเอียดยิ่งขึ้นแต่ดีสําหรับให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอันละเอียดได้แต่ขณะเดียวไม่ได้เรียนรู้การปล่อยวางแต่พฤติกรรมหรือสภาวธรรมกลับไปยึดติดติดละเอียดอันนั้นคือจกระทั่งในท้ายที่สุดเลย ไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ขึ้นมาได้นิ่จุดที่ทําให้เปลี่ยนระหว่างสมถะสัวิปัสสนาคือการปล่อยวางทีนี้อันนี้เลยฮะจะถามหลวงตาว่าเราจะพัฒนาจิตเรายังไงให้ปล่อยวางได้โดยพื้นฐานก็เหมือนกับว่าเราต้องเรียนรู้ให้ว่าเป็นอันนี้ฌาทุกขังอนัตตาของอารมณ์ที่รับรู้นะฮะที่จริงในฌานแต่ละขั้นเนี่ย คนที่อย่างที่หลวงตาอธิบายฮะเรียนมาโดยปฏิบัติอย่างละเอียดจะเรียนรู้ไปเลยว่าเออเห็นไหมอารมณ์ไม่ว่าละเอียดแค่ไหนดีแค่ไหนในท้ายที่สุดมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตานะฮะแต่ถ้ายังไปยึดติดมันต่อก็เลยเป็นสมาธิในฌานขั้นสูงที่ยึดติดอันละเอียดเลยต้องมาวิปัสสนาทําไงให้มีปัญญาปล่อยวางตรงนี้ได้อันนี้เลยขออยากถามรายละเอียดหลวงตาเพิ่มนะฮะว่าการจับอารมณ์อันละเอียดเนี่ยเพื่อจะ ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อปล่อยวางเนี่ยคือความเป็นอันนี้อย่างทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นความจริงอยู่แล้วแต่จิตจะเรียนรู้อันนี้ได้ยังไงกับอารมณ์แต่ละขณะที่รับรู้อยู่แล้วจิตจะได้ปล่อยวางได้ฮะคือเราเองก็ไม่ได้หมายความว่าต้องบังคับจิตให้ปล่อยวางนะคือจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บปล่อยปล่อยจับปุ๊บปล่อยจับปุ๊บปล่อยมันก็จะกลายเป็นวิภาวะตัณหานะความพยายามผลักอารมณ์แต่อันนี้คือหัวใจเลยฮะที่จะพัฒนาเรียนรู้เป็นปัญญาขึ้นมาได้ นะเ ล, เลยอยากสอบถามหลวงตาเนี่ยช่วยอธิบายเป็นละเอียดเมื่อกี้หลวงตาเกินโดยคร่าวๆบางส่วนแล้วครับผมว่าตรงนี้เป็นเป็นหัวใจสําคัญเลยฮะว่าระหว่างอันนึงพัฒนาไปถึงกลางทางแล้วอาจจะผิดต่อกับจุดที่จะหักเหหรือว่าขับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องในวิปัสสนานะฮะอันนี้เพราะเพราะว่าอย่างพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็อยากจะไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะฮะถ้าไปถึงจุดตรงแยกในฌานสี่ที่ที่หลวงตาพูดถึง แล้วเราก็จากจุดนั้นจะมาวิปัสสนาอย่างไรรับรู้อารมณ์แต่ละขณะอย่างไรจะมีปัญญาเห็นธรรมชาติอันความเป็นจริงได้อย่างไรจนกระทั่งปล่อยวางได้อย่างถูกต้องถึงในในขั้นนี้แล้วเนี่ยพอถึงในขั้นในสมถะเนี่ยในขั้นสมถะเนี่ยมันมันคือว่าแทบ คือสามารถที่จะสอนเป็นหมู่ได้เลยมากๆจํานวนเท่าไหร่ก็ได้คือสอนให้ทําเหมือนๆกันไปได้เลยโดยมีครูอาจารย์คุมช่วยดูแลให้เอสามารถสอนเป็นหมู่ได้เลยแต่ถ้ า, ถาวิคขรริพัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยคือเราอยากจะพูดว่าในความเห็นส่วนตัวนะอเววคือสิทธ์ก็ต้องมีปัญญาเป็นเลิศ ได้อาจารย์ที่มีปัญญาเป็นเลิศและรู้จริงถึงจะดีเพราะว่าในขัน้นวิปัสนาเนี่ยมันก็ต้องวิปัสนาเห็นตามความเป็นจริงของร่างกายของเวทนาของจิตของธรรมในสิติปทานสี่เนี่ยว่าไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาคือร่างกายจิตใจของเราเนี่ยแต่ความเป็นมาของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยพบชาติมันยาวนานในการปฏิบตัติพวกที่มาฟังทำอยู่บ่อยๆเนี่ยสนใจจริงๆ หรือบางคนก็มันยังไม่ถึงเวลาของเขาแต่ความจริงเขาเขาทำเขาเป็นมาตะเด็กแล้วเท่าที่เราสังเกตุเขาเป็นมาตาเด็ก เ, เป็นมาตา เ, เ, เด็กอะไรคือเขาเกิดมาเขาก็สามารถมองเห็นพวก อ, อมนุษย์ได้แล้วเขาก็มีพวกอมนุษย์มาเล่นเขาอยู่บ่อยๆตั้งแต่เด็กๆเขาได้ยินเสียงในโลกทิพย์ได้เขา รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้คือเขาจะไปที่โน่นไปที่นี่เอ๊ะมันเกิดเอ็เอนี่มันเหมือนเคยมาอยู่เลยแต่แท้จริงเน่ะเขารู้อนาคตั่งสยานคือเขาจะไปที่นั่นแต่จิตเนี่ยรู้อนาคตั่งสยานมันไปล่วงหน้าเขามันไปก่อนแล้วแล้วตัวเขาไปที่หลังทําไมเขามาตรงนี้เอ๊ะทำไมที่ตรงนี้มันเคยมาถ้าได้ครูบาอาจารย์เป็นเลิศเนี่ยมันจะต่อสายไปเลยต่อสายให้ไปเลยมันจะง่ายหรือ คนนั้นเชี่ยวชาญในด้านปัญญามาก่อนแล้วไม่มีความรู้พิเศษแต่มีปัญญาดูแล้วเนี่ยจิตใจสว่างสวยเจิดจ้ามากเลยเหมือนกับเรามองไปข้างนอกแสงสว่างตอนนี้ใกล้ๆเที่ยงเนี่ยจิตใจเขาสว่างสวยเจิดจ้ามาแล้วเนี่ยมีปัญญาแทบจะแทงทะลุได้แล้วเพราะว่าความสว่างสวยมันมองมันมองอะไรเห็นชัดได้ง่ายกว่าคนที่จิตใจมันดํามันมันมองหาของในที่มืดมันมองหายากคนที่จิตใจมันสงบสะอาดสว่างมาแล้วเนี่ย มันมองเห็นความยึดละเอียดละเอียดเนี่ยมันมองเห็นได้คนที่จิตใจมันดําค้ามืดมันยึดนั่นยึดเนี่ยมันมองเห็นไม่ออกว่าตัวเองยึดอะไรมันก็ต้องมาลงที่เนี่ยอริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่อริยร 4, สัจสี่เนี่ยเนี่ยอริยสัจสี่คือเราไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์ในขณะปัจจุบันถ้าสมถะเ น, นี่ยมันแค่เสพอารมณ์สเสวย อ, อารมณ์ที่ตัวเองปฏิบัติได้ปรุงแต่งได้จะถึงลูกประจันหรือลูกจางสูงสุด แต่คนมีปัญญาเป็นเลิศอ่ะมันก็เพียงเห็นว่าทบทวนให้ดีๆเอสุขปานใดก็ตามไม่ว่าสุขถึงขั้นเนี่ยอรูปประฌานเลยไปจนถึงความสุขในขั้นอรูปฌานที่ว่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลเนี่ยมันยังไม่เที่ยงเลยความสุขใดๆทั้งมวลล้วนไม่เที่ยงแล้วจะมีอะไรเที่ยงมันก็เลยเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงคิดบ้านถึงไม่ได้ก็ปล่อยวางก็บรรลุอรหันต์ไปเลยก็มี คือเข้าบรรลุไปง่ายๆเลยเพราะว่ามันเห็นชัดอยู่แล้วว่าไม่เที่ยงนะมันต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยชานแต่ละจานเนี่ยทรงไว้ไม่อยู่ที่สุดแล้วไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยหลวงพุทานี่ไงสุขจนล้นสุขจนล้นสุขจนล้นโอ้ล้นล้นล้นขึ้นไปอ่ะพอเห็นสุขมันไม่เที่ยงมันแค่นั้นแหะจิตมันหมดเลยสุขก็ไม่เที่ยงเหรเนี่ยสุขก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงแม่สุขก็ไม่เที่ยงไม่ยึดทั้งสุขและทุกบรรลุอรหันต์ไปได้เหมือนกันมันแล้้ววแตต่าสนนนของงครเีย ถามีครูบาอาจารย์ที่เก่งๆจริ ง, รงท่านทันชีในสภาวะของแต่ละท่านได้เลยหรือไม่เช่นั้นพอจิตใจมันสงบระดับนั้นเนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยในอารมณ์สมาธิทั้งหมดมั น, ม, น, ม, นมันไม่มันไม่เที่ยงกับจริงแต่พอออกมาใช้ในประจําวันเนี่ยมันเคยไปสงบแล้วเนี่ย ออกมาแล้วเนี่ยพื้นฐานของใจที่สงบมันก็ยังพอมีอยู่แม้แต่จะออกมาเป็นจิตปรุงแต่งแต่ในความปรุงแต่งถ้าเขาสังเกตดีๆเนี่ยพื้นฐานของใจที่สงบก็ยังมีอยู่เพราะว่าเขาเคยทําถึงความสงบได้แล้วเลยด้วยอํานาจของใจที่เขาเคยฝึกจนถึงขั้นสงบมาแล้วเนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาเลยเห็นจิตที่มันละเอียดได้จิตที่มันละเอียดที่มันไวหว ๆ, ๆละเอียดได้เพราะว่าใจาที่สงบ จึงพบความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและละเอียดการใดได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาสงบแล้วจึงพบหรือเห็นความเคลื่อนไหวได้ง่ายคนไหนใจไม่สงบเขาเคลื่อนไหวอยู่แล้วเมื่อตัวเองอ่ะเขาก็เป็นคนเคลื่อนไหวใจเขาก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วไปในความเล่าร้อนต่างๆเขาเป็นคนเคลื่อนไหวอยู่แล้วเขาก็เลยมองเห็นความเคลื่อนไหวไม่ชัดเขาจะได้แต่อารมณ์หยาบๆท่านั้นแต่เขาจะเห็นจิตที่เคลื่อนไหวไวๆเอียดไม่ได้ เพราะว่าตัวเขาก็เป็นคนเคลื่อนไหวตราบใดอ่ะถ้าเขาเห็นเขาตัวเขาเป็นคนเคลื่อนไหวเขาจึงหลุดพ้นจากความเคลื่อนไหวได้เพราะตัวเขานี่แนี่เป็นตัวเคลื่อนไหวตัวสุดท้ายถ้าเขาพ้นจากตัวเองอ่ะที่เอาตัวเองไปเคลื่อนไหวไปปรุงแต่งเขาก็จะพ้นจากตัวเองไปได้หลุดพ้นจากตัวเองก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้าคล้ายๆกับความไวในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่สติปัญญา แล้วก็ใจก็สงบแล้วก็ด้วยสติปัญญาที่เฉียบคมมากเลยมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยหลุดเอาตัวเองไปปรุงแต่งแต่สมถะเนี่ยมันต่างกันสมถะเนี่ยมันเอาตัวเองเนี่ยไปเห็นสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วก็สเสวยสิ่งที่ปรุงแต่งจนขั้งอตั้งแต่เริ่มปรุงแต่งหลุดออกไปบริกรรมสมมติว่าบริกรรมพุทโธหรือพิญนาสุภกรรมฐานมานัสสิ แล้วก็มันก็เห็นว่าจิตเนี่ยมันหลุดไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงคนนั้นคนนี้อ่ามันเห็นทั้งส่วนที่ปรุงแต่งหลุดออกไปแล้วก็กลับมาอยู่กับความปรุงแต่งอยู่กับเครื่องล่อไ อ, อ้ ป, อปอรุปนนรงจจแต่งเครื่องล่อกับปรุงแต่งไว้เครื่องลอกับปรุงไว้ไงมันก็เลยต้องเราเนี่ยเป็นคนตั้งใจเจตนาปรุงแต่งกับมันหลุดออกไปเลยหลงออกไปปรุงแต่งเรื่องอื่นโดยที่เราหลงเครื่องล่อแล้วเราก็กลับมาอยู่กับเครื่องล่อถ้าเรามีสติปัญญาเป็นเลิศจริงๆสังเกตดูให้ดี พอจิตเรามีความสงบแล้วเราผ่านความสงบละเอียดมาได้หลายหนแล้วเนี่ยพอเราระหว่างที่เรามีเครื่องรออยู่เนี่ยเราทบทวนได้ดีๆระหว่างนั้นเนี่ยมันมีความคิดแทรกซ้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลยแม้แต่เราจะมีขั้นระดับไหนก็ตามมันจะมีความคิดแทรกซ้อนตลอดเวลายกเว้นอย่างเดียวคือขั้นเนวะสัญญาณนาสัญญาณยตนาที่จะดับความคิดได้ขั้นอื่นทั้งหมดไม่สามารถดับความคิดได้ เพราะเนวะสัญญาณสัญญานะคือมีสัญญามีความคิดนํามาใช้ไม่ได้ไงถึงขั้นนั้นอันเดียวถึงจะดับความคิดได้ขั้นอื่นเนี่ยความคิดมีหมด อ, อความคิดยังหมดนั้นถ้าเราสังเกตเห็น ด, ดีๆนในขณะที่เราเนี่ยจับอารมณ์ไว้อะไรไว้ได้หนึ่งหนึ่งอันเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีความคิดแฝงสอนตลอดเลยจะมีความคิดแฝงสอนตลอดไม่ว่าจะละเอียดปานใดเราก็เห็นได้เลยเพราะว่าใจเรามีความละเอียดแล้วแต่ระหว่างที่เราเกิด อยู่ในอารมณ์ของสมถะเนี่ยมันจับมันเห็นตรงนั้นได้ยากเพราะว่าเราอยู่ในขั้นสมถะเราเราเห็นไปด้วยมันเลยยากเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนไล่จับอารมณ์อยู่ไล่จับอารมณ์ของสมถะอยู่ไอเราเนี่ยเมื่อเห็นตัวเราปรุงแต่งได้ยากเพราะว่าเราเนี่ยกําลังมุ่งการทํางานอยู่เราเลยจะเห็นตัวเองเราเองยากเพราะว่างานข้างหน้าเราเนี่ยคืออารมณ์สมถะเนี่ยเรามุ่งงานข้างหน้าเราอยู่เราเลยเห็นตัวเองยากย้อนเห็นตัวเองยาก ถ้าเรามาย้อนเห็นตัวเองพุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยมันกลายเป็นวิปัสนาไปเลยเพราะว่าไอส้มสมถะเนี่ยมัน เ, เอาตัวเองอ่ไปรู้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราคือแม้แต่ขั้นของภายในใจก็มันก็มีความรู้สึกว่าเอาตัวเองอไปรู้อาการที่อยู่ต่อหน้าเราอาการที่อยู่ต่อหน้าใจมันเหมือนกับว่าไอ้ใจผู้รู้เนี่ยคือคนที่อยู่ดูอยู่หน้าทวทัศน์ไอ้อาการของใจไหวๆๆทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไอ้อารมณ์ใ น, นในขั้นใดก็ตามแม้แต่ขั้นอารมณ์สมถะทุกขั้นรวมทั้งความรู้สึกในคิดอารมณ์ต่างๆ ที่เป็นธรรมดาปกติมันเหมือนกับไอ้ไอ้รายการต่างๆในโทรทัศน์แต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันทําตัวเหมือนมันเนี่ยอยู่หน้าโทรทัศน์แล้วมันก็ดูดูดูดูดูดูดูแต่ในโทรทัศน์แต่มันไม่ดูตัวมันเองแต่วิปัสนาเนี่ยมันดูตัวมันเองแทนที่มันจะเอามันตัวมันเองเนี่ยไปดูรายการในโทรทัศน์ดูอารมณ์ชาดูความรู้สึกไปกิดอารมณ์แต่มันกลับดูตัวเองรู้ตัวเองมันต่างกับตรงเนี้ยวิปัสนาเนี่ย ดังนั้นถ้าเราไปทำในอย่ังสมถาวิปัสนาควบคู่กันเนี่ยมันจะทำไม่ได้เพราะว่าไอ้สมถาเนี่ยมันมุ่งแต่ตัวเองอาไปจับอารมณ์แต่วิปัสนาเนี่ยมันละที่ตัวเองมันดูที่ไอ้ตัวนั่งอยู่หน้าโทรทัศน์เปรียบเหมือนมันดูตัวเองที่หน้านั่งโทรทัศน์ว่ามันคิดนึกถึงกองบุกแต่งอะไรกับกรณีที่มันเห็นอากาศเห็นรายการในโทรทัศน์เวลามีภาพมีเสียงมีรายการมีกิริยาการมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นในทางใจก็เหมือนกับรายการในโทรทัศน์ แต่มันแทนที่มันจะเป้าหมายมันเนี่ยจะรู้แต่รายการในโทรทัศน์มันกลับมารู้ไอ้ผู้ที่นั่งดูโทรทัศน์ว่ามันมีความคิดนึกคิดตอมปรุงแต่งอย่างไรกับที่มันไปรับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วไอ้ผู้นั่งดูโทรทัศน์เนี่ยมันมีความคิดติดตองอย่างไรมันแทนที่จะเอาตัวเองอ่ะไปดูดูไอ้รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสดูความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่หน้าโทรทัศน์แต่มันกลับดูผู้ที่นั่งดูโทรทัศน์ ว่าเวลาไปเห็นไปได้ยินไปได้กินไปรู้รสไปรูปป้สัมผัสไปรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในขณะปัจจุบนันแต่ละขณะปัจจุบันเนี่ยไอ้ใจผู้รู้เหมือนแค้ผู้นั่งดูโททัศน์เนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรมีปฏิกิริยาอย่างไงแล้วมันก็สัตว์แต่รู้ที่ตัวเรามันไม่ไปหมายเอาสิ่งที่ถูกรู้ข้างหน้าเนี่ยเป็นวิปัสสนามันต่างกาันสมถาคือมันเอาตัวเราไปรู้แต่วิปัสสนาคือมันรู้ตัวเราและละตัวเราออกไปจากใจจิตสินเนี่ยมันเลยต่างกันฟ้ากับดิน อาจารย์นะักคล้ายๆแต่ว่าสมถะเนี่ยคือเราไปเรียนรู้อารมณ์ภายนอกที่เรารับรู้มาใช่ใชใช่แล้วเราก็เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่นะต่อให้ละเอียดจนถึงอรูปฌปานเลยนะแต่วิปัชาติคือเราเห็นการทํางานของตัวจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ใช่ถูกต้องถูกต้องนะฮะแล้วก็เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของตัวจิตที่ไปรับรู้เลยก็ งั้นที่เราเผลอเนี่ยคือไม่ได้เห็นตัวเราจริงๆมาโดยตลอดคล้ายๆนะ ท, ที่ยังไม่ไม่ไม่ไมกระจาะย่างเงี้ยนะฮะงั้นเนี่ฮะ ค, คือความไวของจิตที่จะสังเกตจนทั้งเห็นจิตตัวเองที่ไปรับรู้ขณะรับรู้อารมณ์แต่ละขณะขพรามัวแต่ไปเพลินไอตัวอารมณ์ที่เราไปมองไปสังเกตไปเรียนรู้แต่เริ่มลืมเรียนรู้ตัวเองที่กําลังทํางานตอบสนองกับอารมณ์ที่กำลังเข้ามาอยู่ เพราะฉะนเห็นธรรมชาติของทั้งหมดเนี่ยก็ก็คือความเข้าใจความเป็นจริงของของสปปรรพสิ่งทั้งหลายก็เลยรู้ในธรรมใช่ไหมฮะอาจารย์มันก็จะเดี๋ยวก่อนนะยกมือจะถามเดี๋ยวหรือ่าให้ถามก่อนที่เดี๋ยวที่นีข่ข้างหลังข้างหลังยกมือถามหรือจะให้ถามก่อนเพื่อจะอธิบายต่ออ่าได้ไดอให้ถามก่อนเดี๋ยวก็จะได้เอียดตรงนีมม้สำคัญมาก<พ>นะนะอย่าอย่าปล่อยให้ผ่านเพราะว่าไม่มีคนที่มีปัญญาไปเลื่อนคถามแบบนี้นาแล้วนะเออค่ะสภาวะตรงเนี้ค่ะคือ อย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่ากาลังดูโทรทัศน์เน่จ้ะคะดูโทรทัศน์อยู่แล้วก็ตรงจิตอยู่ข้างนอกเราก็เห็ น, หนอย่างแยกจ้ะแต่มันมันก็หันมาดูตัวเองด้วยหันมาเห็นเลยว่าโอเราอันนี้มันนึกนกบางทีมันย้อนทวนไปถึงอดีตว่าสิ่งนี้เราก็เคยทําแล้วเราก็มองเห็นในเสร็จ แ, แล้วก็มันมันก็ปล่อยวางจา้ะแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ หันกลับมาดูใหม่หรือว่าบางทีก็เลิกดูโทรทัศน์คือขณะขณะที่เปิดอยู่นะเจ้าคะแต่ว่าก็หันมาดูเอออารมณ์ดูเ อ, อสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างเงี้ยแต่เงี้ยสลับกันอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมเจ้าคะเอออย่างเงี้ยผิดพลาดอย่างเงี้ยผิดพลาดอยู่อไอ้ผู้ที่หันมาดูตัวเราเองเนี่ยกับกลายเป็นว่าไอ้ตัวผู้ที่หันมาดูตัวเเองไอ้นั่นกลายเป็นว่าไอ้ตัวเราเองเนี่ยเป็นโทรทัศน์ และผู้ที่หันกลับมาดูตัว เ, เองเนี่ยกลายเป็นผู้เป็นตั้งโดยทัตคนใหม่ถ้าถ้าอย่างนั้นเราควรจะปรับยังไงเลยจ้ะคะก <för> ็ปล่อยวางเ ส, สีตัวเราเองไปไม่มีผู้ที่มาดูตัว เ, เองอีกทีหนึง่งปล่อยวางผู้ดูผู้รู้ไปตลอดเวลาปล่ อ, อยวางไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่รู้แต่ก็มีผู้ที่รู้อาการอยู่แต่ไม่ยึดทั้งไในสิ่งที่ถูกรู้และไม่ยึดตัวผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเร า, เ ป, เ, ราเป็นตัวตนของเราแต่ไม่เอาอ่ะ ใส่ตัวหนึ่งมาดูตัวเราพูดพดั้งดูตัวทัดอยู่ถ้าเช่นั้นอ่ะไอตัวเราจะกลายเป็นเป็นโทรทัศน์เครื่องใหม่แล้วก็มีเรานั่งดูโทรทัศน์ตัวใหม่ตัวหนึ่งเรื่อยไป แ, แตอนนี้พอเราปล่อยวางเจ้าค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็มีคือทําได้หรือว่าพอปล่อยวางตอนนี้พกปล่อยวางใช้วิธีบางทีถ้าเวลาอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่อยู่เนี่ยเจ้าค่ะดีก็ต้องเปลี่ยนวิญาณบท ลุกคุ้นเยอือรุกขึ้นยืนขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําความรู้สึกตัวอันเนี้ยมันก็ทําได้มันก็ปล่อยว่ามงได้นะคะหรือบางครั้งเนี่ยเพิ่ ง, เ พ, งเพิ่งเริ่มทำเพราะว่ามันมันไม่อยากขยับตัวมันเมื่อยมันขยับมามากแล้วหรือว่าเดินมาพอแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ อ, อวิธีดูลมมาจา้ะคะ คือหายใจลมหายใจเข้าออกคือดูดูมันอย่างเช่นที่ที่มันเป็นจริงๆนะเจ้าคะไม่ไป บ, บังคับว่าต้องออกต้องเข้าอะไรเนี่ยตามธรรมชาตินะเจ้าคะดูอันนี้มันก็ทําให้เห็นเลยว่าเป็นการปล่อยวางเหมือนกันสําหรับตัวเองนะเจ้าคะท่าที่ทำอยู่นี้ยอันนี้ถูกหรือว่าควรจะแก้ไขยังไงเจ้าคะ่กกะในกรณีอย่างเนี้ย มันเป็นการป ล, ปล่อยวางอารมณ์อย่างหยาบไปจับอารมณ์อย่างละเอียดเช่นเรามีปัญหากับครอบครัวทะเลาะกันบ่อยวุ่นวายแล้วก็ปล่อยวางสมมติเราปล่อยวางมาอยู่วัดนี่คือปล่อยวางมาอยู่วัดแล้วใจสบายอันนี้คือปล่อยวางอย่างหยาบอารมณ์ห ย, ยาบคือไอ้สิ่งที่ล่อไอ้ลมเนี่คือว่าสิ่งที่จิตถูกลูกาตาคือรูปลาลม มาจับอารมณ์ภายในคืออารมณ์ที่เียดภายในคือรูปเนี่ยเป็นรูปารลมก็คืออารมณ์ภายนอกแล้วเราเนี่ยะเลาะครอบครัวมีปัญหาครอบครัวหลายคนที่มาอยู่วัดเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยคือพอสอบไปแต่ละคนเนี่ยชีวิตครอบครัว ม, มีปัญหาเลยมามาอยู่วัดก็คือปล่อยวางจากรูปารลมก็คือสิ่งที่เห็นทางตากระทบทางตา มาจับอารมณ์สบายในวัดมาอยู่วัดแล้วใกล้ครูบาอาจารย์ก็เลยใจสบายพอใจสบายเนี่ยมาจับอารมณ์ภายในที่เป็นอรมละเอียดอารมณ์ละเอียดนี่ต่อไปผมมาจับอารมณ์ที่ละเอียดก็ไม่ละเอียดจริงที่สุดคือมังงุนกิดกับเวทนาอาการเวทนาที่เกิดขึ้นตามร่างกายตามจิตใจคือเอไม่สบายกายไม่สบายใจหรืออึดอัดครับคล้องใจแน่น จุกซึ่งเป็นอารมณ์อย่างหยาบเป็นอารมณ์อย่างหยาบเป็นธรรมอารมณ์อย่างหยาบเป็นเวทนาเพราะว่ากายเนียรูปรูปอารมณ์เป็นกายตัวเราก็เป็นรูปอารมณ์ร่างกายมันหยาบลองลงมาก็เวทนาอันที่ 2, สองอ่ะสติปัฏฐานสี่เวทนาอันที่สามคือจิตอันที่สี่คือธรรมนั้นเราจับละจากครอบครัวมามาอยู่วัด มาจับสบายก็มาจับสุขเวทนาพอเพราะโหยหาสุขเวทนาจับสุขเวทนาเราไม่ทิ้งสุขเวทนาสิ่งที่อยู่อาการตรงกันข้ามมันเลยตามติดมาเพราะมันเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติความแน่นจุกอุดอัดเนี่ยในร่างกายในยจิตใจจึงเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ปล่อยวางสุขเวทนาผลที่เราไปจับอีกด้านหนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งจะฉกกัดเอาก็บอกว่าเปรียบเหมือนว่าเขาบอกให้ปล่อยวางไปอย่าไปจับหางูเดี๋ยวหัวงูมันกัดเอา ไออารมณ์ที่สบายเนี่ยมันเปือบเหมือนหางงูแต่อารมณ์ที่แน่นจุกอับเนี่ยมันคือหัวงูมันคือตัวเดียวกันต้องปล่อยไปทั้งตัวถ้าคือจับหางงูไว้คือจับอารมณ์ที่เบาสบายว่างๆเนี่ยหนีครอบครัวที่วุ่นวายมาอยู่วัดแล้วจับอารมณ์สบายเดินไปเดินมายิ้มแข่งแต่ไปจับหางงูไว้บอกให้ปล่อยวางไอ ห, หางงูไปจับจับอารมณ์ไออารมณ์ที่เบาสบายเดินยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยปล่อยวางไปซะเพราะเราไปจับหางงูเดี๋ยวหัวงูมันฉกกัดเอาคือ อาการที่แน่นจุกอัดอยู่ภายในปวดร้วาวพอเราไปจับแน่นอืดอัดเราก็ไปไดิ้นหลนผักใสอาการแน่นจุกอัดภายในมันเลยปวดร้าวทั้งตัวเลยตัเนี้ยมันลามต่อไปเลยเพราะว่าพอเกิดอาการแน่นจุกอัดระคายเคืองใจหน่อยเราเลยดิ้นหลนผักไสอาการนั้นเลยเบิ้ลทุกเวทนาซ้อนเข้าไปอีกคือไปไม่พอใจอาการทุกเวทนาเลยกลายปเป็นทุกซ้ําซ้อนเลยปวดร้วราวไปทั้งตัวเลยเลี่ยงไปเลยนี่เลี่ยงไปหลายคนเป็นอยู่อย่างเนี้ยเอเรียกว่าละจากอย่างหยาบประจับ อารมอย่างเอียดตอนนี้พอถึงพอเกิดอาการที่มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายกายไม่สบายใจแบบนั้นแล้วก็พยายามหาวิทางเลี่ยงเลี่ยงไปทําอะไรก็ได้ให้มันสบายขึ้นมาให้ได้ทุกวิธีทางชอบไปทำอย่างกันอย่างเงี้ยไปทำยังไงก็ได้ขอมันสบายสบายขึ้นมาให้ได้ให้มันอาการที่มันไม่โปไม่โล่งไม่เบาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจเนี่ย ให้มันเนี่ยเหลือแต่ความโปร่งโล่งเบาสบายว่างว่าคือทําอย่างไรแล้วแต่ของใครคือแล้วแต่เห็นน่ะทำกันเนี่ยทํากันอย่างนี้เนี่ยในทุกวิถีทางไม่ว่าจะไปเข้าชานหลบไปเข้าชานหลบ ไ, ไปสู่ใครใเข้ารูปฌานเก่งก็เข้ารูปฌานใครเข้าอารูปฌานเสร็จก็เข้าอารูปฌานหนี้ไปหรือว่าใครทําไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนความสน้ใจไปอย่างอื่นอไปอย่างเงี้ยก็จะไปหลบไปอย่างเงี้ยเราต้องปล่อยวางไปอย่าไปจับละ จับหยาบมาจับละเอียดขึ้เลือยไปอย่างเงี้ยอย่าหนีอย่าหนีอารมณ์หยาบเนี่ยไปจับอารมณ์ที่ละเอียดคืออารมณ์ที่บางเบาคือโปรงโลกเบาสบายว่างว่าอย่าหนีอารมณ์ที่ไม่สบายไปอย่างเนี้ยที่ไปเข้าตําราที่ท่านกล่าวว่าวงโปกับหลวงปู่ดูลย์โตโลกเอามาเขียนต่อที่ว่าคนโง่เนี่ยจะพยายามหลบหลบหนีปรากฏการหลบหนีอาการนี่แหละแต่คนฉลาดเนี่ยจะเห็นจิตปรุงแต่ง อนี้พอเราไม่หลบหนีวิธ ah ีเราจะหลุดจากเวทนาเหล่านั้นได้ยังไงจะหลุดจากเรื่องโลกโลกได้ยังไงที่เราหลบหนีมาครอบครัวมาเราจะหลุดจากเวทนาในนี้ได้ยังไงทั้งหมดนี่เนี่ยจิตมันปรุงแต่งไปยึดถือเขามันจึงเป็นทุกข์เวทนาก็เหมือนการจิตมันปรุงแต่งไปยึดถือเวทนามันจึงเป็นความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาเห็นจิตดังนสติปัฏฐานสีมันเลยกลายเว็นนาจิตนี่ไงมันเลยต้องมาเห็นจิตเห็นจิต ปรุงแต่งไปเกาะเกี่ยวพัวพันยึดถือพอใจไม่พอใจสิ่งใดในโลกคือไปพอใจไม่พอใจสิ่งใดในภายนอกตัวเราแล้วก็พอใจไม่พอใจอสภาวะหรืออาการใดๆทางร่างกายทางจิตใจที่มันเกิดขึ้นอ่าถ้าจิตดีพอใจจิตไม่ดีไม่พอใจเราเห็นจิตที่มันปรุงแต่งเป็นความพอใจไม่พอใจความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันเป็นตัณหาแล้ว มันเป็นอารมณ์มันเป็นตัญหามันเป็นอารมณ์มันเป็นกิเลสเราต้องเห็นจิตเนี่ยที่มันคิดปรุงแต่งอย่างไรเอาตัวเราเนี่ยไปคิดปรุงแต่งเป็นตัวเรามันจึงต้องเห็นตัวเราเนี่ยแล้วปล่อยวางตัวเราไงมันจะพ้นไปได้คือเห็นตัวเราเนี่ยที่เข้าไปรู้อาการอะไรเหมือนกับอาการในหน้าโทรทัศน์และมีตัวเรานั่งอยู่ทัศน์เห็นตัวเราเนี่ยที่มันปรุงแต่งอยู่หน้าโทรทัศน์คือมันตัวเราเนี่ยปรุงคิดปรุงแต่งอย่างไรต่ออาการที่ถูกรู้หรือต่อ รูรถกินเสียงสะพัดที่ถูกดูในขณะปัจจุบนันทุกขณะปัจจุบนันเห็นใจเราตัวเราเนี่ยแหละเข้าไปปรุงแต่งเป็นความคิดติดตองติดตองติดตองติดตองคิดละเอียดบันใดก็เห็นได้รู้ได้ไได้วยอํานาจแห่งใจที่มันสงบพอใจมันที่สงบไม่ใช่ว่าสงบนี่หมายถึงว่าสงบไปนั่งสมาธิให้สงบในขั้นสมะถะนะคือพอเราฝึกในขั้นสมะถะมาแล้วเนี่ยใจมันก็จะสงบเป็นพื้นเป็นพื้นคือเป็นพื้นในชีวิตประจําวันปกติโดยไม่ต้องไปทรงอารมณ์ไว้มันคือมันเห็นความแตกต่างระหว่าง เออใจคือเคยสงบแล้วไปกาะเกี่ยวบัวพันอะไรให้เป็นทุกข์ใจสงบไปกาะเกี่ยวอะไรปูพันให้เป็นทุกข์มันเห็นอยู่เรื่อยๆมันก็เลยค่อยๆปล่อยวางไปบอกว่าเออใจที่ไม่ pipe, กกมไเมก่อเกี่ยวบัวพันรู้สึกว่ามันสงบแล้วมันมีสุขปีก็เลยไม่ไปเก่อเกี่ยวบัวพันธุ์สิ่งใดไม่ใช่ว่าไปจับไว้แต่ความสงบไว้แล้วไม่ยอมรับรู้ว่าจิตมันคิดปรุงแต่งไปเก่อเกี่ยวบัวพันธุ์สิ่งใดอันเนี้ยมันเป็นความปรุงแต่งยึดถือไว้คือยึดถือความสงบไว้หน้าเดียวไม่ยอมรับรู้ถึงจิตที่ปรุงแต่งคือสมุทัยที่ไปก่อเกี่ยวยึดถือสิ่งใดให้้เป็นทุกไอ พอเราไปเห็นจิตที่ปรุงแต่งที่ไปเกาะเกี่ยวยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์สมุทัยเลยดับไปทุกข์ก็เลยดับไปการที่เห็นจิตเนี่ยมันคิดปรุงแต่งไปเกาะเกี่ยวยึดถือสิ่งใดในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็อาการทางกายอาการทางใจการหเห็นจิตปรุงแต่งในแต่ละขณะเนี่ยเราเรียกว่ามรคจิตเห็นจิตเป็นมรคผลแห่งจิตเห็นจิตจึงเป็นนิโรธคือหลุดพ้นจากจิตปรุงแต่งไปได้ก็คื อ, ค อ, คอพ้นทุกข์นี่แน่ที่ถามว่าวิปัสสนาอย่างไรก็วิปัสสนาเนี่ย เดินอย่างนี้เนี่ยอย่าไปเห็นอาการของจิตอย่างเดียวต้องเห็นคิดเห็นตัวเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปปรุงแต่งเป็นความคิดปกติตัวเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่ในขั้นแรกเราจะเอาตัวเราไปปรุงแต่งซะก่อนเอาไปรู้ไปดูไปคิดไปตึกไปตองไปพอใจไม่พอใจรู้อะไรก็ต้องคิดตึกตองรู้อะไรก็ต้องคิดตึกตองพอใจไม่พอใจก็เห็นต้องให้ผู้รู้ละละผู้รู้ไปมันก็จะเลยหลุดพ้นไปได้เจ้าค่ะคืออันนี้ ไม่ทราบคือไม่รู้จักตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยนะจะถนัดดูจิตแล้วก็เห็นเนี่ยความเอออะไรเข้าไปต้องการที่จะได้กับไม่ต้องการที่จะได้เพระว่าเพระว่าตันธาวิภวะตันห า, า, นหาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยแต่เสร็แล้วก็มันก็อะไรอะไอ้นู่นเข้ามาไอ้นี่เข้ามาแล้วมันก็เห็นไปอย่างเนี้ค่ะเห็นชอบไม่ชอบจะบางครั้งก็ ไม่ถึงกับตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบพอเข้ามาแล้วมันก็ดับไปได้เนี่ยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ mm ๊ะสติเราต่ตอนเนื่องหรือเปล่าแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อถ้าไม่แน่ใจว่าสติต่อนเนื่องหรือเปล่าถ้าจะลองเดินจงกรมดูเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเวลานี้เดินจงกรมเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ชอบเดินจงกรมมากแล้วมีความรู้สึกว่าเหมาะกับจริญแต่ตอนนี้ไม่ก็เลยลองใช้วิธีว่า mm hmm. ลองทำอนาปานสติดูด้วยการที่ดูลองหายใจแล้วก็ให้เพื่อจะให้สติต่อเนื่องเนี่ยเจ้าค่ะคือคําถามเวลานี้กําลังทําอย่างนี้ก็เลยการเรียนอันนี้ก็ยังมีการปรุงแต่งมีการกระทําอยู่อืมวันนี้ก็ยังมีการปรุงแต่งเพราะยังมีการกระทำมาชื่นก็บอกมีการปรุงแต่งค่ะต้องวางการกระทําไปทั้งหมดทุกชนิดวางกิริยาการจิตวางเอาตัวเราไปกระทําอะไรวางคือเราเนี่ยต้องสิ้นจากการที่ตัวเราเป็นผู้แอคชั่น หรือแสดงการกระทำถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราไปทาอะไรพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรเราก็เป็นผู้กระทำเราก็ยังเป็นผู้เราก็ยังกลายเป็นผู้ปรุงแต่งอยู่ดีเราไม่หลุดพ้นจากความปุงแต่งไปได้เข้าใจไหมเราจะรู้ขาดได้ยังไงลองมาอยู่ที่นี่กลางคืนที่นี่เงียบสงบสงัดมากเลยวัดนี่อยู่เจดีย์นี่อยู่บนยอดเขาไกลหมู่บ้านคน มีความเงียบสงบสงัดจริงๆเราละทิ้งการงานทั้งหมดมาแล้วก็ใจมันจะได้ไม่หมกมุ่นเรื่องการงานแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่ไม่ต้องนานเลยอยู่สักชั่วโมงก็ได้แล้วเว้นขาดจากการปรุงแต่งจริงๆเราจะได้รู้รว่าระหว่างวาเว้นขาดจากความพรุงแต่งกับความพรุงแต่งเป็นยังไง หลายคนมาอยู่นี่ก็จริงกลางวันหรือก่อนบ า, านี่ทํางานก็คิดๆๆทั้งกายก็ทํางานปากก็พูดใจก็คิดคิดคิดคิดิดจนคิดที่ t. ทั้งวันทั้งคืนคือ <c ười> เป็นผู้ทํางานไม่เคยว่างเลยคือกายก็ทํางานปากก็พูดใจก็คิดคิดคิดคิดคิดจนคิดคิดิดที่คิดที่คือไม่ว่างจากงานคิดตอนนี้มาอยู่ที่นี่อ่ะไม่ต้องนานเลยห้านาที ห้านาทีต้องว่างงานจริงๆต้องเป็นคนว่างงานปลดกเกษียณมามาว่างงานไม่ไดนี่ว่างงานห้านาทีกายก็มีความเป็นอยู่ตามปกติอย่าไปทำงานอะไรก็กินๆนะนอนเก็บกวาดําองทำนี่ตามปกติเหมือนกระชิบ ป, ประจําวันแต่ไม่่ว่าเอางานมาทําเอาคอมพิวเตอร์มาทําเอาคอมพิวเตอร์มาทํเ า, อ เ, อาทเอางานอะไรมาทําอีกนะเดี๋ยวก็คือเหมือนกับที่ทํางานนะั่นแหละแล้วก็คือมาใช้ชีวิตตามปกติกนินแะล้วอาบน้ำ เดิไปเดินมาทําความสะอาดสาลาบริเวณก็คือทํางานตามปกติที่ว่าไม่ใช่เป็นงานที่ที่เราเคยทาแล้วก็อย่าไปปากย่าไปพูดเรื่องงานที่เราเคยทาโดยเฉพาะใจต้องหยุดคิดเรื่องงานหยุดคิดเรื่องงานอะไรทั้งหมดโดยทิ้งเชิงแล้วก็ตัวอยู่นี่อยาคิดไปถึงข้ามรู้ออกไปหาหาครอบครัว อย่าอย่าอ ย, าอยาคิดทำรัวไปหาครอบครัวให้ว่าจากงานครอบครัวและงานประจำเพราะว่าเวลาจากงานประจะมาอยู่ในครอบครัวก็เป็นงา น, งานการต้องช่วยดูแลซึ่งกันและกันอันนี้มันก็พัวพันวุ่นวายในครอบครัวเรามาอยู่นี่ใจอะอย่าหวนคิดกลับไปเรื่องงานในครอบครัวงานในครอบครัวมันก็มีเรื่องหลายที่ต้องให้ให้คิดให้ทําให้พูดอน้ําไม่ไหลไฟไม่เดิน น, นูนี่นั่นนั่นอะไรสรารพัด ส, ส้วมตันวุ่นวายไปหมดสรารพัดจะต้องมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทําอันนี้คือเรื่องงานที่เราจะต้องทำประจนะําะแล้วก็ไปถึงที่ทํางานก็ต้องไปนั่งทํางานในที่ทํางานอีกชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยปลดกเกษียณเลยเราด้วว่าเราปลดกเกษียณแต่เราดูให้ดีนะไม่เคยมีเวลาแม้แต่เสี้ยวนาทีเดียวที่เราหยุดคิดในเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องวุ่นวายเลยเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหากสักห่านาทีเนี่ย อย่าพยายามมาปรุงแต่งเรื่องพยายามฝึ ก, กจิจเพราะฝึกมานานหลายปีแล้วต้องปวดกเกษียณแล้วอย่ากลัวว่าจะไม่บรรลุนิพพานอย่ากลัวว่าฝึกมานานแล้วคืนไม่ไม่ปรุงแต่งทิ้งหมดเดี๋ยวมันจะหายหมดอย่ากลัวต้องกล้าไม่ทํางานเรื่องโลกไม่ทํางานเรื่องธรรมเรื่องธรรมะเรื่องเรื่องการคิดการพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรก็ต้องเลิกโดยสิ้นเชิงเพราะงานทางธรรมเนี่ย ฝึกมานานหลายปีมากแล้วจนถึงแก่เท่าเนี่ยฝึกมานานมากต้องเลิกแล้วแล้วก็ผ่านในโลกก็ต้องเลิกเลิกก็จะว่าโอโ้อาจารย์า น, นา่งขนาดนั้นเหรอห้านาทีก็พอแล้วให้เห็นว่าห้านาทีต้องให้เห็นจริงนะไม่คิดตรงแต่งในงานทางโลกและนานา ง, งานทางธรรมงานทางการการศรกิจไนเดือนสิงหาคมปลดกเกษียณปลดกเกษียณ แต่เนื่องจากขันห้าเขาก็ยังมีชีวิตยอยู่เขยังไม่ตายก็มามาอยู่นี่มันก็เออมันก็ยังใช้ชีวิตยอยู่ตามปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่เราไม่ได้ไ ป, ไปพูดคิดติดตองในเรื่องโรคเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องเรื่องดิ้นรนค้นหาทําอีกแล้วหยุดแล้ววางแล้วแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่นี่แค่ห้านาทีอยู่กับธรรมชาติที่เนี่ยแล้วจะพบเลยว่าความสิน้นความปุงหลงปรุงแต่งเนี่ยความสิน้นหลงปรุงแต่งเนี่ยห้านาทีเนี่ย เป็นความสุขทั้งชีวิตทั้งโลกทั้งจักรวาลอาจจะข้ามพพข้ามชาติไม่ไม่ไปสู่พบชาติใดต่อไปอาจจะจบลงในปัจจุบันได้